ขอหนอ ม, นอมต่อคุณพระตนตรไลโอกาสพระอาจารย์ไพศาลหลวงพ่อกมเพื่อนสัตธรรมิกุกท่านจเจริญธรรมเชตียาธิธรรมทุกท่า น, นก็นั่งสบายๆเนาะหรือจะทําความรู้ตัวไปด้วยก็ได้เนาะให้มีเครื่องรู้สักอย่างหนึ่งเนาะคือการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ได้ว่าเราต้องให้จิตสงบนะหรือว่าต้องได้ อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความมัศยจันของจิตนะเช่นเห็นรู้เห็นอะไรแปลกๆนะั่นหรือว่าตาทิฟหูทิฟนะหรือถอดจิตไปเที่ยวนูนน่นเที่ยวนี่หรือเกิดนิมิตต่างๆหรือเกิดสภาวะ ร, รมต่างๆมากมายนะ น, นั่นก็เป็นสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่มัน ทำให้คนไปติดอยู่เนาะบางคนถ้าไปฝึกในแนวนั้นก็จะติดความสงบบ้างติดปิติบ้างติดความสุขบ้างหรือติดนิมิตต่างๆบ้างเนาะมันมันมันก็ดีแต่ว่ามันจะเป็นการติดอยู่นะติดอยู่แล้วมันเป็นอย่างไรเราก็ไปชอบใจนะแล้วก็เมื่อประวัติข่าวต่อไปก็อยากจะได้สิ่งนั้นอีกนะก็ไปควรอ่าไปขวนขวายไปสแสวงหาในตรงนั้น นะมันมันเป็นพราหธรรมที่มันติดอยู่มันไม่ได้ไปเดินเข้าสู่พระไตรลักษ์จริงๆเนาะแต่การปฏิรธรรมในการเจริญสตินี้เป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ติดนะมันเป็นแค่รู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเนาะเรามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดความมาสะจรรันหรือว่าเป็นความแปลกๆของจิตแต่อย่างใดนะแต่เป็นการที่เรากลับมารู้ในความเป็นจริงของกายและใจเท่านั้นเองนะ มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ากลับมารู้ในเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื s, Podcast, ่องปกติธรรมดานี่แหละในในตัวเราในชีวิตประจํำวันของเราเนาะอย่างที่อาจารย์ไพศาลก็เมื่อวานก็ได้เทศแล้วว่าเออเราก็ปฏ really, ิบติธรรมเพื่อให้กลับมารู้จักตัวเราเองนะมะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะกลับรู้จักตัวเราเองนั่นเองนะประบัติธรรมนี่อะไรมันไม่ได้ไปรู้ตรงไหนหรือว่าต้องเป็นอะไรต้องได้อะไรแต่มันกลับรู้จักตัวเราเองไหมตรงเนี้ยสำคัญกว่าเนาะ อยังเมื่อวานก็เราก็สรวจบทสติปัฏฐานสูตรนะว่าพระเจ้าก็ได้ทรงตัดเอาไว้แรกว่าเอาสติปัฏฐานก็มีสี่อย่างค NO. ือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคราวนี้ในหมวดกายเนาะเราก really ็กล응ับมารู้ไหมในบทต่างๆนะยืนเดินนั่งนอนนี่แหละยืนก็ให้รู้ว่าเรากำลังยืนเดินก็ให้รู้กำลังเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็ให้รู้ว่ากําลังนอนเนาะก็คือกลับมารู้ใน สิ่งที่ปกติในธรรมดาหรือเป็นปัจจุบันเองนะว่าเรากําลังทำอะไรอยู่นะทำไมต้องให้รู้ในตรงนั้นนะเช่นเราเดินใช่ไหมเราสังเกตไหมว่าเราเดินด้วยความเคยชินนะเดินด้วยความอัตโนมัติเพราะาเราก็เดินมาตลอดชีวิตแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจมันมันก็เดินได้ใช่ไหมมันเดินได้อยู่แล้วล่ ะ, ะแล้วมันก็ไม่ต้องไปรู้ด้วยเพราะมันเดินได้อยู่แล้วมันเป็นความเคยชินเนาะ ความเคยชินนั่นแหละก็คือการที่เราไม่รู้สิ่งไม่รู้ก็คือการหลงไปนะหรือขณะที่เราเดินเราก็คิดนู่นคิดนี่โอ้จะไปทำงานทันไหมเนาะรถจะติดไหมนะเย็นนี้ไปกินข้าวที่ไหนดีพุ่งนี้ไปเที่ยวไหนเมื่อกี้ปิดนาะปิดไฟหรือยังเนาะคือมันกาลังเดินอยู่นะแต่มันไปคิดเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่ไม่เคยกลับมารู้เลยว่าขณะนี้กลังเดินหรือขณะนี้กำลังคิด ก็ไม่ได้รู้ในตรงนั้นนะอันนี้จึงเห็นว่าส่วนใหญ่คนเราประมาณ 9-9% ก็จะเป็นเช่นนั้นนะก็คือไม่รู้ว่ากาลังทำอะไรอยูนะอ่เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กลับมารู้ในตรงเนี้ยยืนเดินนั่งนอนเนี่อลรู้ในตรงนี้ไหมแล้วก็ที่ชัดเจนหนึ่งอย่างหนึ่งนะก็คือท่านให้กลับมารู้ในชจิตประจำวันของเรานั่นเองใช่ไหมเหลวซ้ายแลกวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขน อ, อุจอทรงจีวรสังขติดื่มลิ้มกินเคียวอุจระปัสาวะแล้วก็ให้กลับมารู้สึกตัวในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะมันเป็นลักษณะที่ว่าอีบทย่อยต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสัมปชัญญะนะในการที่เราอาจจะทำเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะดื่มลิ้มกินเคี้ยวต่างๆกวาดบ้านถูบ้านแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำนะ สิ่งเหล่านี้ก็คือชีวิตจำบัตรของเรานั่นเองนะเรากลับมารู้มไหมในตรงนี้เนาะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเกิดความแปลกแตอย่างใดนะแต่ว่าให้กลับมารู้ในชีวิตจําบัตรเรานั่นเองครา้นี้ทํำไมต้องกลับมารู้ตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้เพราะเหตุอะไรเพราะปกตินั้นเราจะส่งกี่นอกระยะเป็นประจำนะอย่างเช่นเรานั่งอยู่ที่นี่ก็ตามนะแต่เราบางที่ตัวเราเนี่ยอยู่นี่แต่ใจเรากลับไปบ้านแล้วนะกลับไป ที่ทำงานบ้างแล้วกลับไปหาเพื่อนบ้างกลับไปหาสามีหาภรรยาหาลูกบ้างเนี่ยตัวเราอยู่นี่แต่ว่าใจเราออกแบงนอกเนาะหรือแม้แต่เราอ่าอ่าไปไปที่ไหนนะไมมะไปเที่ยวสมมติไปเที่ยวพัทยานะอ่าเราเห็นโอ้วิวสวยจังเลยนะเนี่ยมันมองเห็นความสวยงามของเขานะอ่าของวิวเนะี่ยมันส่งจีบแบงค์นอกตลอดเลยนะอ่าหรือว่า ได้ยินเสียงเพลงโอ้เพราะๆก็ส่งจิตแห่งนอกตลอดเลยนะมันตรงนี้ก็คือเราไม่ได้รู้ตัวว่าเรากําลังส่งจิตต่างนอกใช่ไหมนะเพราะคนเราปกติมันจะตรงไปทางตาทางหนะูหรือทางยะตาทั้งหกเนี่ยเป็นประจำแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราส่งจิตต่างนอกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยกลับมารู้นั่นเองไม่เคยกลับมารู้ไม่เคยกลับมารู้ว่ามันส่งจิตนอกแล้วนะนะ แต่เมื่อเรากลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่น ะ, ะขณะนี้กำลังนั่งอยู่เรารู้ไหมใชม่นั่งรู้วนั่งรู้ไหมใช่หหรือว่าตอนนี้เราจะพลิกมือคว่มพลิกมือหงายเนี่ยเรารู้ไหมนะหรืออาจจะคลึ่งนิ้วเรารู้ไหมนะหรือกำลังสร้างยงางบะเรารู้ไหมอะไรไปรู้นะอะไรไปรู้ก็คือใจนั่นเองใจมันเป็นรู้ใช่ไหมถ้าหากว่าเรานั่งนิ่งๆเนี่ย ใจแล้วก็ออกนอกนะคิดไปถึงบ้านแต่เมื่อเราขยับนิ้วอะไรมารู้ก็คือใจมารู้ใจมารู้นั่นแหละก็คือมันกลับมาแล้วนะกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่การขยับนิ้วกับมาที่กายกลับให้ตัวเราเนาะก็คือตรงเนี้ใจมันกลับมากลับมารู้นั่นเองนะใจเนี่ยมันจะกลับมารู้นะเพราะนการที่เรามาฝึกในตรงนี้เช่นการสร้างหวาบ้างหรือเดินจงกรมบ้างก็คือให้ใจมันกลับมารู้กลับมารู้นะกลับมารู้มันมีคำว่ากลับมาใช่ไหมใจมันกลับมา กลับมาอะไรกลับมาลูในขณะนี้ว่ากําลังทำอะไรอยู่นะครั้นี้อย่างที่เมื่อกี้บอกเลยว่ามันปลุกเตมยาส่งจิตต่างนอกแต่เมื่อมันกลับมารู้มันก็กลับมาไปบ่อยนะกลับมารู้บ่อยๆกลับมารู้กลับมารูบ่อยๆกลับมาลูแบบอันนี้ก็เรียกว่าการบัตรทมคือการกลับมานั่นเองกลับมารู้ก็คือจากการที่จิตเขาส่งออกนอกไปประจําหรือส่งนานๆเช่นคิดนานๆหรือว่าไปตาเห็นรูปก็ส่งไปนานๆหูได้ยินเสียงก็ส่งไปนานๆ นาะมันก็จะกลับมาได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็เป็นทักษะหรือว่าความชานาญในการกลับมากลับมากลับมาบ่อยๆนะ่ะจากเมื่อก่อนเราเคยคิดยาวคิดทีหนึ่งบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนบางคิดทั้งวันเลยมันก็เริ่มจะสั้นลงแล้วเออมันกลับมารู้แล้วเมื่อก่อนเคยคิดยาวนะครึ่งวัเดนนี้สัก5นาทีก็กลับมาแล้วนะแต่เมื่อมันรู้ยบ่อยมันก็สักหนึ่งนาทีก็กลับมานะบางทีคิดแป๊บเดียวก็รู้กลับมาแล้วให้มันเริ่มกลับมากลับมา กลับมาตรงไหนกลับมารู้นั่นเองนะใหม่ๆจะรู้ที่กายก่อนแต่การที่รู้ที่กายก็คือสังเกตไหมว่าอะไรไปรู้ก็คือใจมันรู้นั่นเองเพราะนั่นก็กลับมารู้ที่ใจๆๆนั่นเองนะการรู้ที่ใจกลับรู้ที่ใจเนาะอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างเออเราไปเที่ยวพรทยาปุ๊บเราก็โอ้อวิวสวยจังเลยนะสวยจังเลยแล้วก็ไปชื่นชมส่งจิตต่างนอกไปแต่ถ้ามันจิตมันกลับมารู้มันจะรู้เลยตอนนี้เรากำลังพอใจแล้วนะกำลังดีใจ กำลังยินดีนะมันจะกลับมารู้ในตรงนี้ก็คือกำู้ใจนั่นเองใช่ไหมกำู้ใจเราใช่ไเดินไปหน่อยโอ้ทำไมขยะเยอะจังเลยน ะ, ะคนมาเที่ยวเนี่ยมาไม่ช่วยกักษาสถานที่เลยหน้าไขาหน้านะขยะเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเราก็ส่งใจไปดูขยะโอ้มันมันไม่ดีน ะ, ะทำไมมาทิ้งตรงนี้ แต่ว่าจากการที่เราฝึกกลับมารู้มันจะเริ่ ม, มรู้ใจละตอนนี้กำลังหงุดหงิดกำลังไม่พอใจกำลังกดเครื่องนะตรงนี้มันจะกลับมารู้ใจใช่มมันจะเริ่มกลับมารู้ได้ไวขึ้นแล้วนะหรือบางทีเราขับรถไปล็รถข้างหน้าถ้าไม่ขับชา้าจังเลยนะขับช้า จ, จังนะหงุดหงิดขึ้นมานะเราก็ไปโทษ ร, รถข้างหน้าถ้าไม่ขับช้านาะนนรถลง้ล ง, ลงๆเนี่ยเราจะแซงก็ไม่ได้ขับชา้าจังเลยนะเราก็หงุดหงิด รถคันหน้าแต่ตอนหลังเราทํานามันกลับมารู้ใจเอาตอนนี้กำลังหงุดหงิดแล้วนะกำลังหงุดงิดแล้วนะเนี่ยมันกลับมารู้ใจใช่ไหมเพราะตรงนี้มันมันเป็นการลักหนะนี้ว่าเมื่อเราฝึกในตรงนี้ได้มันกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือกลับมารู้ใจกลับรู้ใจเราจาเมื่อก่อนที่เราจะไปเพ่งโทษคนหรือไม่กลับมารู้ใจเรานะหรือใครเข้ามาต่อว่าต่อว่าเราตําหนิเราตรงๆนะตำหนิเราหรือว่าว่าเราตรงๆ เมื่อก่อนเราจะไปเพ่งโทษเขาทำไมมาว่าเราเรื่องแค่นี้ทำให้ต้องมาตาหนิเราน ะ, ะคือเราส่งจิต้องเราไปไปเพ่งโทษเขาแต่ถ้าเราชำนาญในการกลับมารูแล้วที่เราฝึกมาเมืจะกลับมาดูใจเขาตอนนี้กำลังหงุดหงิดแล้วนะกำลังไม่ชอบใจกำลังโกรธคือมันจะกลับมารู้ทันทีเลยน ะ, ะและปะ้ปยจจัยของการกลับมารูนี่มันจะเกิดอะไรขึ้น จะเช่นยกตัวอย่างเช่นความโกรธใช่ไหมเมื่อก่อนอเข้ามาตําหนิแล้วก็ว่าเราเราจะอาจจะอธิบายหรือให้เหตุผลเข้าไปนะว่าตรงนี้เราต้องไม่ต้องทําแบบนี้แบบนี้น ะ, ะแต่ให้เหตุผลไปแล้วปรากฏว่ามันมันก็อาจจะมีการพูดกันไปพูดกันมาจิตก็เริ่มรุนแรงขึ้นกลายเป็นความโต้เถียงอาจจะกลายเป็นความโกรธไปก็ได้ใช่ไหมนี่แหละก็เพราะว่าเราเราไม่ทันมันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้ น, นเรื่อยๆ แต่เมื่อเรารู้โอ้ตอนนี้มันกำลังหงุดหงิดกำลังขัดเกลงแล้วไม่พอใจนะจากการที่เรารู้นี่แหละมันจะเริ่มลดลงนะมันมันไม่ต่อไปมันไม่ไม่ขยายตัวต่อไปมันจะเริ่มลดลงลดลงน้อยลงแล้วมันก็บางทีมันก็หายไปเลยนะเล็กเล็กน้อยมันหายไปหมดเลยนะออย่างที่เราบางทีเราขับรถไปแล้วนะเอ๊ะทำไมคันนี้มันขับช้านะหรือคันนี้ทําไมชอบแซงซ้ายนะอทางซ้ายเนี่ยก็เป็นโล่งๆเอาไว้เผื่อไว้แต่ทําไมรถติดก็แซงซ้ายนะอ นั่นแหละพอเราหงุดหงิดปั๊บเรากำมาดูใจเราปุมเรารู้ปุ๊บมันดับเลยนะมันหายไปเลยไอ้เล็กๆน้อยมันรู้สึกมันเรื่องธรรมดามากนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นเกิดอะไรขึ้นก็คือมันดับทุกข์ในใจเราดัานเองนะกลับมันดับทุกข์ในใจเราจากการที่เรารู้ทันเนี่ยมันก็กลับมันดับทุกข์ในใจเราได้ว่าเมื่อเรารู้ทันแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะลดลงน้อยลงแล้วมันก็หมดไปอารมณ์เล็กๆนั้นมันดับมันดับได้ไวเพราะว่าเรากลับมารู้ได้นะ อย่างเช่นความคิดเนี่ยเมื่อเรารู้ปุ๊บมันคิดมันจะดับทันทีนะมันเห็นปภาวะธรรมตรงนี้มันเกิดแล้วมันดับทันทีเลยนะถ้าสังเกตได้ตรงนี้มันก็ดับจริงๆนะเพราะว่าเรากลับมารู้มันนั่นเองแต่เมื่อเราไม่รู้เป็นไงเมื่อคิดต่อยาวไปปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นความรักความชังมากมายเนาะปุโรหะมังเกียนท่านกเลยบอกว่าผู้ใดโกรธก็ล้าสมัยแล้วนะล้าสมัยแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มีปติเนี่ยก็เรียกว่า มันมันกลับมารู้ได้ไวใช่ไหมความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่มารู้ชัดรู้รู้ได้ชัดเจนเพราะมันแรงมันมีอารมณ์แรงแล้วมันเกิดเร็วแล้วมันกระดับเร็วเพราะตรงนี้เราก็เห็นเออมันมันก็โกรธนะแต่เรารู้ทันมันก็ดับไปอันนี้มันเกิดสภาวะหนึ่งที่เราเห็นความเกิดความดับของลมได้ชัดเจนขึ้นเนาะ แต่ลมเนียนๆนะเช่นความพอใจความยินดีความรักต่างๆมันมันมองไม่ค่อยชัดนะเพราะเราจะหลงไปกันมันง่ายนะใครมาชมเราแล้วก็ดีใจยาวนะดินยินดียาวไปเลยนะแล้วมันก็บางทีพอเรารู้ไม่ทันมันก็ติดในรวมตรงนั้นใช่ไหมมันไม่ได้รู้เป็นความทุกข์ไงใช่ไหมมันเพราะมันเนียนๆมันมีความสุขด้วยใช่ไหมไหลใจความกรธมันเป็นความทุกข์มันก็สังเกตได้ชัดว่ามันทุกข์แล้วนะ มันมันเห็นชัดเพระมันไม่เนียนใช่ไหมมันเหมือนกับเออตรงนี้มันเราเห็นชัดขึ้นเราเห็นมันได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราสามารถสังเกตจิตใจเราได้นะอันเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออย่างที่มันเมื่อกี้บอกว่าการปฏิธรรมคือกลับมารู้จักตัวเราเองใช่ไหมว่าตอนนี้กําลังเป็นอะไรนะอย่างเช่นกายกําลังนั่งรู้ไหมใช่ไหมกำลังได้ยินเสียงรู้ไหมใช่ไหม หรือตอนนี้ใจเราคิดไปที่บ้านรู้ไหมอตอนนี้กำลังพอใจไม่พอใจรู้ไหมก็คือรู้กายรู้ใจนั่นเองนะเนี่ยคือการกํารู้จักตัวเราเองอการเห็นอารมณ์ต่างๆนะสภาวธรรมต่างๆมันจะเห็นในตรงนี้ว่าอารมณ์ต่างๆไม่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนีตอนนี้คือความจริงของการมองเห็นใช่ไหมไม่จะเห็นแล้วไปติดมันดีใจก็ไปติดมันติดมันนะันก็สแสดงมันก็เกิดะกระดับนะหรือว่าความโกรธความไม่พอใจ ก็ไม่พอไม่พอใจก็ไปติดมันเด็กอยากให้มันดับเร็วๆเราก็ไม่ชอบใจก็คือความติดนั่นนัเองนะแต่เราก็รู้มันนะแค่เรารู้มันก็เห็นเออมันก็เกิดแล้วก็ดับนะมันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนนะเรื่องของเราบังคับก็ไม่ได้นะตรงนี้ต่อมามันเกิดเป็นยาว่าเทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับปัญชาไม่ได้นะมันก็เกิดสติเกิดเป็นยาขึ้นในตรงนี้นะ พอ เ, เรากลับมารู้ทันมันแล้วนะสติปัญญาเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าตรงเนี้ยเราไปยึดอะไรไม่ได้เลย mm hmm. เกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปเป็นของไม่เที่ยม mm hmm. เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะจิตก็เริ่มปล่อยเริ่มบางใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราโอ้เวลาเราโกรดนี่มันทำไมโกรดนานอย่างเลยนะอ่าเพราะเราอะไรเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันความโกรธก็ไปให้ค่ากับมันนะให้ค่ากับมันติดในลมนะวนความคิดทั้งวันวนความคิดทั้งวันเป็นความปุงแต่งทั้งวันบางทีก็ไม่พอนะ กลายเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาทไปแต่ไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเกิดกระดับนะมันดับไปตั้งนานแล้วนะมันดับไปตั้งนานแล้วแต่เราไปคิดบนมันเองใช่ไหมอยู่ดีก็บนมันขึ้นมาเองเขามาว่าเรานะบางทีเมื่อวานว่าไปแล้ววันนี้มันคิดเมื่อวานเขามาว่าเราไม่พอเนีเดือนหนึ่งไปคิดแล้วเดือนที่แล้วมันมาว่าเรามันไปบนในความคิดเองใช่ไหมความจริงมันดับไปตั้งนานแล้วแหะแต่เราไปติดมันเองใช่ไหมเพราะรู้ๆไม่ทันว่ามันเป็นความของชั่วคราว ของไม่แน่ไม่นอนอของไม่เที่ยงอืของไม่ใช่ตัวไม่ตนของเกิดแล้วก็ดับแต่เราไปวนมันเองแล้ววนเราใครมีความทุกข์ก็คือเรามีความทุกข์เองนะเพราะเรารู้ไม่ทันใจเรานั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นกายเรามาเจริญสฑ์ก็คือกลับมาลูกกายรู้ใจนั่นเองนะอแต่ในสุดเมื่อเรารู้กายก็กลับมาลู้ใจนะเราจะเห็นเพราะว่าเพราะว่าทำทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับมีแต่ความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเป็นของทั่วคราวนั้นเลยมันก็เลยปล่อยเริ่มปล่อยเริ่มวางได้เร็วขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ตัวไม่ตนนี่แหละ เพราะนั้นตรงนี้ความทุกข์ในใจเราก็ลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆน ะ, ะแต่ในการเจรติเราก็ต้องรู้สึกตัวก่อนใช่รู้สึกตัวอย่างไรขณะนี้เรารู้ไหมนะว่ากำลังนั่งขณะนี้รู้ไหมกำลังได้ยินมันมีคำว่าขณะนี้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่า เ, ออเมื่อวานเรารู้ตัวไหม <c oughs> หรือเย็นนี้จะรู้ตัวไหมแต่ว่าขณะนี้นั่นเองนะก็คือ <c oughs> ให้ตื่นรู้ในขณะปัจจุบันนั่นเองใช่ จิตมันนัองตื่นรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่ให้มันสงบนะแต่ให้มันตื่นรู้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราติดตีนะติด ต, ตีกระทบตัวแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ไหมว่าจิตมันตื่นรู้ได้แล้วใช่มมันตื่นรู้ขึ้นมานะเพราะว่าอะไรว่ามีการเคลื่อนไหวมีการกระทบรู้นะจิตที่ไม่กระทบรู้นั่นแหละมันก็เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาแต่เรา <c oughs> แต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆเราจมแช่เราก็สลืมสลือ น, นะนั่นไม่ได้จิตตื่นรู้เพราะงั้นการที่เรามาเคลื่อนไหวนะ อคลื่อนไหวยกมืสสอสร้หยุดบาดเดินจงกรมก็แล้วแต่หรือติด ต, ตีหรือเครื่องนิ้วกว็แล้วแต่ส่วนนี้ก็คือให้จิตเขาตื่นรู้นั่นเองให้จิตเขาตื่นรู้ว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่เกิดขึ้นมาในกายเราใช่หไหมเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อจิตมันรับรู้ในตรงนี้จิตจะตื่นรู้ได้แต่ถ้าจิตไม่รับรู้เขาก็ไม่ตื่นรู้นั่นแหละให้เรายกมือสร้างอยุดบาดหรือเดินจงกรมเขาก็ไม่ตื่นรู้ขึ้นมาเพราะว่าเขาทําด้วยความเคยชินไปแล้วก็ทํำด้วยความอ่า สลืมสเลอนะอ่ามันไม่ได้ตื่นรู้ขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถให้จิตเข้ารับรู้เป็นขณะขณะนะขณะขณะมันก็จะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็ไม่ไปตามรู้ว่าต้องรู้ยาวๆอ่าต้องรู้แบบประคองตัวรู้นะรู้ต่อเนื่องยาวๆอันนั้นไม่ใช่นะนั้ไปเพ่งเอาไว้นั้นไปบังคับจิตใจให้เขารู้นานๆเนาะแต่อันนี้เมื่อเราสามารถที่จะตื่นรู้เป็นขณะขณะ ขณะนั้นเขาเรียกว่าเราไปเขย่าท่านรู้ให้เขาโตขึ้นมานะ <c oughs> จิตที่มันเขย่าท่านรู้เนี่ยก็เรียกว่าคนเราเนี่ยมีวิ ญ, ญญาณท่านอยู่คือท่านรู้เนี่ยมีอยู่แล้วนะหรือความเป็นพุทธะเนี่ยมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้ว <c oughs> แต่ว่าทุกวันเนี่ยเขายังไม่ได้ตื่นรู้ก้นมาจริงๆนะแต่ไม่ใช่เขาไม่มีแล้วก็ไม่ตื่นเขาตื่นเป็นบางขณะเท่านั้นเอง <c oughs> แต่การที่เรามาฝึกเจริตตินี่ก็คือเราฝึกเขาตื่นรู้บ่อยๆใช่ไหม ตื่นรู้ในในกายก่อนนะให้เขรู้สึกตัวนี่แหละตื่นรู้เป็นขณะขณะขณะไปอ่าเขาก็จะส ะ, สะสมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครั้ น, นี้ที่มันตื่นรู้ก็คือเขากลับมารู้นั่นเองกลับมารู้เออตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะกําลังติดตีนะก็จะกลับมารู้ในตรงนี้ปั๊บอ่าครั้ น, นี้สักพักหนึ่งก็คิดแวบไปละคิดแวบไปครั้ น, นี้คิดแวบไปจากการที่เราตื่นรู้นี่แหละเขาเรียกว่าการตื่นรู้ในกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมนะคือให้ใจมีเครื่องอยู่ เมื่อเราตรงนี้เรายังทําอยู่อ่ายังติตีอยู่แต่เขาคิดแวบไปเขาจะคิดไปไม่นานนะเราะไม่มีตัวรู้อยู่แล้วนะมีตัวรู้เขาก็จะกลับมากลับมาเร า, าเห็นความคิดเออมันกินมันคิดไปแล้วเราก็รู้ทันคิดไปรู้ทันตรงเนี้ยใจมันจะตื่นขึ้นมาทันทีมาเห็นความคิดนะความคิดมันเกิดแล้วก็ดับนะหรือว่ามันรู้ทันเนี่ยรู้ทันเพื่ความคิดดับไปอันนี้จิตมันจะตื่นรู้ขึ้นมาในใจเราทันนะมันเป็นความตื่นรู้ขึ้นมาในใจเรานะอ่า มันจะตื่นรู้บ่อยหรือเราเดินยองกลมนะเดินยองกลมนี่มันก็มันก็คิดแวบไปละคิดแวบไปละเราก็รู้ทันมบ่อยนะจิตในใจก็ตื่นรู้มาบ่อยนะเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นการขย่าทันรู้นะมันก็รู้ทันเอออ่าจิตก็ตื่นรู้ขึ้นมาบ่อยๆตื่นรู้มาบ่อยๆนะอ่าตรงเนี้มันก็จะว่องไวขึ้นใช่ไหมจากการที่เมื่อก่อนมันนานๆที่จะตื่นรู้สักทีหนึ่งอ่าหรือรู้ไม่ทันอ่าความคิดมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาบ่อยๆตื่นมาบ่อบบเพราะมันกลับมาได้บ่อยๆนั่นเองใช่ไหม ตรงนี้นะ่ามันก็จะสังเกตจิตใจเราได้ได้ไวขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็เคยมาบ่นในใจใช่มอ่าบางทีเรามาอุตส่าห์มาทานอาหารร้านนี้ขับรถต้องไกลนึกว่าจะอร่อยนะมันไม่อร่อยเลยมันไม่อร่อยอย่างที่เขาว่าเลยเรานึกบ่นในใจโอ้ไม่น่าขับรถมาเลยนะเสียเปลืองน้ํามันนะเสียเวลาแล้วก็ไม่อร่อยต่างหากนะมันบ่นในใจเรานะ แต่ตอนหลังที่มันจิตตื่นรู้มันเริ่มเห็นมันบ่นแล้วเออมันมันมันบ่นแล้วฮะมันบ่นในใจแล้วนะไอ้การที่เราเห็นมันบ่นนี่แหละปุ๊บมันออกมาทันทีนะมันออกมาทันทีเลย่ะอืมหรือกินอาหารร้านนี้เอ้าอร่อยจังเลยนะอร่อยมากอร่อยมากกินก็มันก็พอใจในใจมันก็คิดอยู่มันมันก็ดีใจพอใจทีหลังอยางมากินนะครั้นี้มันมันจิตมันตื่นรู้ม่เห็นเออตรงนี้มันมันเริ่มคิดเองแล้วนะมันพูดกับตัวเองแล้วนะอ่ามันดีใจแล้วนะ ตรงนี้ปุ๊บมันเห็นมันเห็นในตัวหนึ่งก็คือจิตที่มันรู้ได้ใช่ไหมจิตมันรู้ได้โอ้มันรู้นะจิตมันมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองไม่ไม่มีหน้าที่ไปบ่นไม่มีหน้าที่ไปพูดกับตัวเองใช่ไหมจิตมันแค่รู้เอออะไรเกิดขึ้นนะชอบใจไม่ชอบใจมันก็แค่รู้ใช่ไหมมันไม่ได้ไปบ่นกับตัวเองไอ้ที่ไปบ่นน่นแหละเป็นความปรุงแต่งนะเวลานี้แม่อร่อยเลยเป็นความปรุงแต่งมันจะเห็นจิตเนี่ยมันมันมีอาการของจิตนะคือความปรุงแต่งนั่นเองใช่ไหม Ano, จิตมันมีหน้าที่รู้นะอ่าจิตมีหน้าที่รู้เท่านั้นมันไม่มีหน้าที่หลงไม่มีหน้าที่ไปปรุงแต่งไม่มีหน้าที่ไปชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจไปโกรธไปรักไปชังแต่ว่าสภาวรธรรมทั้งหมดก็คืออาการของจิตนั่นเองนะเราก็จะเห็นเอออาการของจิตนะมันไม่ใช่จิตหรอกอ่ามันไปบ่นอ่มันไปพูดกับตัวเองนะมันไปโกรธเข้ามันไปรักไปชังมันเป็นอาการของจิตหมดเลยนะแต่จิตเมื่อกี้ไม่หน้าที่รู้เท่านั้นนะมันหน้าที่รู้เมื่อมันรู้มันก็จะแยกกันระหว่าง อาการของจิตและจิตมันะก็เริ่มเห็นแล้วอันนี้มันอาการของจิตนะเมื่อก่อนนั้นเราไปอยู่กับอาการของจิตตลอดเลยแล้วเราก็ไปติดกับมันนะชอบใจ ม, มั่งไม่ชอบใจมั่งไปรักไปชงังไปโกรธไปเกลียดนั่นแหละเราไปอยู่กับอาการของจิตอาการของจิตเป็นอย่างไรอาการจิตเป็นความปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นอย่างไรปรุงแต่งคือภาวะรั้มอย่างหนึ่งที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เกิดมันอย่างนั้นอ่ะทั้งวันใช่ไหมเดี๋ยวก็พอใจไม่พอใจเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็คิดเอง คู่กับตัวเองเยอะแยะเลยนั่นคือการของจิตหมดเลยนะอืมตรงนี้มาก่อนเราเป็นเป็นตัวเราเราเป็นตัวเรานะเราไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธเนี่ยเราก็เป็นจริงๆนะเป็นตัวเราแล้วก็ติดในอารมณ์เหล่านั้นอืมแต่เมื่อเราแยกเป็นแล้วโออันนี้มันแค่การของจิตเองนะมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เห็นอาการของจิตมันก็คืออาการทองจิตนั่นแหละอาการของจิตคือภาะวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ เขาจึงเป็นเช่น <Me> นั hearing, buying, ้นของเขาเองนะเขก็รักก็เกลียดก็โกรธของเขาเช่นนั้นเองเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเนื่องมันเห็นบ่อยๆมันยังรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้เขาจึงเป็นเช่นนั้นของเองนะเราก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีทำามไม่ไปโกรธล่ะใช่ไหมเพราะเราบังคับเข้าไม่ได้นั่นเองใช่ไหมเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆจิตก็เลยเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ของเราแต่ถ้สิ่งใดที่เราบังคับเข้าได้ก็เกิ เป็นของเรานั่นเองใช่ไหมแต่เราบังคับอะไรไม่ได้เลยก็คือไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนาะตรงนี้เมื่อเห็นไปบ่อยมันก็เริ่มปล่อยเริ่มวางแโอ้มันแค่อาการนะอาการทั้งหมดมันเป็นวาตธรรมที่มันปรุงแต่งเพราะมันมีการเกิดการดับมันไม่ใช่เราจริงๆหรอกนะอ่ามันก็เริ่มปล่อยเริ่มวางจริงๆนะแล้วมันออกมาเร็วด้วยมันเห็นเม็การก็คือปล่อยมันได้เร็วเพราะนั้นหน้าทียงเราก็คือเรารู้เท่านั้นก็คือรู้ก็จบแล้วเพราะการประธรรมอย่างที่ได้บอกแล้วว่ามันไม่ใช่การติดแต่มันคือการรู้ใช่ไหม อย่างเช่นสมาธิอันนี้นก็ดีนะแต่มันจะติดเนะ่ยติดในนิมิตต่างๆติดในความสุขปิติต่างๆแต่การที่เรามาเจอสติก็คือมันแค่รู้มันไม่ได้ไปติดนะ่ะมันจะไปติดไปทําไมนะติดมันก็คืออาการของจิตแล้วมันก็ไม่ติดแล้วใช่ไหมมันก็เลยหลุดมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ใช่ไหมเราก็จะเป็นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเนาะมันกะ็มาตรงกับที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคงเกีเยรบอกว่าเห็นไม่เป็นนะเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เป็นเราก็รู้ซื่อซื่อรู้เฉย นันก็เป็นภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าเรารู้มันเฉยๆได้เท่านั้นเองนะมันไม่ได้ไปติดในการต่างๆเหล่านั้นนะถ้ามันติดแล้วมันก็ไม่ถูกต้องใช่หไหมนั่นก็คือเป็นสมถะไปแต่การที่เรารู้นั่นแหละคือการเจริญสติมันก็เกิดสติเกิดปัญญาตามมาเห็นภาวัตถุอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกนณตาไม่ตัวไม่ตนจรงก็เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึติดได้เร็วนะตรงนี้ก็เป็นหนทางแห่งการสู่การพ้นทุกนะแล้วก็ออกจากความทุกข์ได้นะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอราตนาบารมีคุณมรไตาย น้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ